ทำกมาเรียผู้ช่วยกันหิ้วประคองมาเรียอยู่ก็ทิ้งกายลงระเนนทับกันลงกับพื้นขมิตรดารินคนเดียวเท่านั้นที่ยืนงันอยู่ที่เดิมเพราะสมองสั่งการไม่ทันน้อยลบลงชา ย, ยันพูดลงหมอบเบื้องหลังแลเห็นเหตุการณ์ตะโกนเตือนสุดเสียงตะครุบไรเฟิลที่หลุดหางมือขึ้นมาแต่มันก็ช้าไปแล้วสําหรับเสียงเตือนนั้น เงาทมุนเงาหนึ่งซึ่งคงจะแอบซุ่มรอคอยจังหวะอยู่แล้วบนยอดจอมปลวกริมทางกระโจนวูบลงมาอย่างร่างที่ยังยืนอยู่กลางทางของนักมนุษยวิทยาสาวเหมือนพยักร์าร้เพนตะครุบเยื่อมารีอฮอฟมันนอนตะแคงทับอยู่บนหลังของชายันหล่อนเห็นภาพนั้นได้ก่อนทุกคนแม้จะอ่อนเปลี้ยเพรี ย, รยรงจนแทบวจะพยุงตัวเองต่อไปไม่ไหว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 อีกมือหนึ่งปัดตบนกแบบซิงเกิลแอคชั่นโดยเร็วมันลั่นตูงขึ้นแทบว่าจะระเบิดแก้วหูของชายยันผู้มีใบหูอยู่ห่างจากปลายลำก้องเพียงฝ่ามือเดียวหัวกระสุนที่ประดิษฐ์ด้วยโลหะแข็งสำหรับเจาะสัตว์หนังหนาจากแรงส่งของอำนาจดินขับน้องน้องไรเฟิลผ่าแรงเข้ากลางยอดอกของร่างที่กาลังลอยละลิ้วลงมานั้นปัดกระดูกซี่โครงขาดสะบัน้นแล้วคว้านแหวกออกทางเบื้องหลัง เจ้าสางเขิวตนนั้นแทบว่าจะกระโดดไปกลางอากาศประสาททุกส่วนหยุดทํางานอย่างกระทันหันก่อนที่มันจะลอยลงมาประทะดารินทางเบื้องหลังนักมนุษย์วิทยาสาวล้มขมามกระเด็นไปฟุบอยู่อีกทางหนึง่งมารีกัดฟันทะลันลุกขึ้นโดยกําลังส่วนสุดท้ายทั้งหมดเท่าที่จะรวบรวมได้วิ่งเข้าไปประคองดารินในขณะที่เชฐิฐถาชัยยันและบุญคํา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 เงาทายกับขยินใช้วิธีที่ถนัดในการต่อสู้ประชิด ต, ตัวทั้งสองกระชากดาบเดินป่าประจำตัวออกมาโดยไม่สนใจกระปืนซึ่งแทบจะหาประโยชน์อะไรไม่ได้ในภาวะคลุกคลีถึงตัวกันเช่นนี้หดกระนำฟาดฟันออกไปอุตลุดชยันเองก็หมุนคว้างเป็นลังหันกระโดดข้ามมายืนเฝ้าคอยคุ้มกันเชิฐาผู้นั่งถือปืนสั้นพิงก้อนหินอยู่ด้วยความเป็นห่วงแล้วก้มวูบ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 บุญคำก็แล่นออกตามนายไปเป็นคนที่สองเพื่อเข้ายึดปลายสะพานไว้แงซ้ายกับขยินยังคงควบดาวเข้าปะทะกับเจ้ามนุษย์ผีดิบเป็นภารวันอีกคนละคู่อย่างดุเดือดแต่แล้วชั่วพริบตานั่นเองมันก็เข้าอยู่ในทางปึงของดารินซึ่งสายลำกล้องคอยอยู่แล้วและเนียวไกลทันทีเมื่อขยินถอยหลังสะดุดก้อนหินล้มงายลงและไอ้นั่นเงื้อดาบขึ้นสุดลาสองมือระยะห่างประมาณสามว่า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 ร่างของเขายืนโบกมือกระสับกระสายอยู่ที่นั่นชา ย, ยันกรากเข้ามาแบกเชิฐถาพร้อมแง่ทายพาวิ่งลิ้วออกไปดารินร้องสั่งให้ขยินช่วยประคองฉุดมาเรียตามหลังไปติดติดโดยตนเองถือปืนลูกซองของเชิฐาคอยระวังคุมเชิงอยู่เบื้องหลังหล่นยิงกราบไปอีกนัดหนึ่งเป็นการสกัดไม่ให้ติดตามอืดใจเดียวคณะทั้งหมดก็มาถึงยังบริเวณปลายสะพานซึ่งระพินและบุญคำขณะนี้ ประทับปืนจ้องคอยยิงคุ้มกันให้อยู่ก่อนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเต็มไปด้วยความฉุกและหุกแข็งกับความเป็นความตายพวกมันมาดักทำลายสะพานฟันเชือกที่ผูกโยงไว้นั่นเกือบขาดแล้วพรานใหญ่บอกกระหืดกระหอบเร็วปรือบุยปากไปยังเชือกไว้อันขนาดข้อมือเส้นหนึ่งยึดซึ่งยึดปลายสะพานด้านนี้ติดอยู่กับก้อนหินใหญ่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 ที่เหลือโจรหลบเข้าที่กำบังหมดมีธนูสองสามดอกพุ่งแหวนอากาศสวนมาบางดอกกระทบหินแฉลบเฟี้ยวข้ามหัวทั้งคณะไปบางดอกก็ปักติดต้นไม้เราถูกมันล้อมคุมเชิงอยู่ตรงสะพานนี่เองช้ ย, ยันสบุดลั่นออกมากัดกรามกอดบรรจุกระสุนเข้าปืนทุกคนเหงื่อแตกซิกทั้ทงทางที่อากาศเริ่มเย็นเฉียบมาเรียขณะนี้นั่งพิงหินหลับตาลง หน้าของหลอนซีดเผือดรู้สึกว่าหวิวเหมือนจะเป็นลมพญญาสาวของนักสำรวจหมดกำลังลงซะแล้วแต่มือยังกำปืนแน่นเงยสายเลือดโชกที่สะบักเพราะถูกคมหอกเฉียวขยินเจอดาบเข้าที่สี้างกำลังเอาผ้าเขามามัดช่วยตัวเองชายันก็เพิ่งจะมาสำรวจตนเองรู้สึกตัวเดี๋ยวนี้ว่าเลือดจากศาีรษะกาลังไหลลงมาทางหน้าผากและเข้าตาเขาจนถึงก็ต้องเช็ดสะบัดออกไป บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าโดนอะไรที่เจ็บเสียวที่ศีสักคงมีอยู่เพียงสามคนเท่านั้นที่จัดว่าปลอดภัยเรียบร้อยที่สุดไม่มีเลือดตกยางออกเลยคือรพินดารินและบุญคำตาเท่าหนังเหนียวนอกนั้นอยู่ในภาวะสะบักสะบอมสถานการณ์ของทั้งแปดชีวิตกำลังตกอยู่ในฐานะเลวร้ายขีดสึกประตูแห่งความรอดพน้น มันมองเห็นอยู่ห่างประมาณส0สิบเมตรนี่เองนั่นก็คือขอบเหวฟากตรงข้ามโดยอาศัยสะพานลอยใต่ข้ามไปแต่นั่นต้องหมายถึงว่าสะพานมันจะไม่ขาดพีนาตลงแซะในระหว่างที่คืบผ่านกันไปเพราะรอยที่ถูกฟันเชือกยึดไว้อันเหลือติดอยู่ยังมินเม่าเท่ากับที่อะไรจะมาเป็นหลักประกันให้ได้วาคณะไต่ไปบนสะพานนั้นคนใดคนหนึ่งหรือทั้งหมด จะรอดพ้นไปจากธนูอาบยาพิษที่คอยดักจ้องยิงอยู่แล้วทุกคนที่ผ่านไปบนสะพานนั้นจะต้องเป็นเป้าอย่างดีที่สุดโดยไม่มีที่กำบังเลยระพินร้องสั่งให้ขยินกระเงีทายคอยจ้องยิงเจ้าพวกที่จะโผ ล, ล่รุกเข้ามาเขาก็ชัยยันกระโดดลงไปสำรวจรอยเชือกที่ถูกฟันไว้นั้นอีกครั้งเชษฐาก็คลานลงมาสมทบด้วยผมว่ายังพอข้ามไหวหรื อ, อยังไง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 โอกาสของมันคือล้อมทวงเราไว้ให้มืดชัยันกราสายตาไปยังแนวหินและพุ่มไม้รอบด้านซึ่งบัดนี้เต็มไปด้วยพวกสังขิวซึ่งหลบซุ่มอยู่มันล้อมประจันหน้าเราอยู่เพียงแค่นี้เองส่งระเบิดไปให้มันอีกสักลูกเป็นยังไงไม่มีประโยชน์หรอกชัยันขับขึ้นโดยเร็วระยะมันใกล้เกินไปเกือบจะเรียกได้ว่าประชิดตัวกันทีเดียวแลวพวกมันซุ่มกันอยู่ตรงไหนบ้าน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 ด้ารินแทรกมาทันทีนั้นด้วยความอาถรรพ์เด็ดเดี่ยวและกอบด้วยลักษณะของผู้นำมันเกิดขึ้นในทันทีที่หลอนเห็นชัดว่าเชิดาและชัยยันกลายเป็นผู้บาดเจ็บไปซะแล้วพวกเราทั้งหมดแดคนหคนกำลังบาดเจ็บสะบักสะบอมเหลือคนดีๆอยู่เพียงสามคนเท่านั้นคือพรานใหญ่บุญคำแล้วก็ชันคนเจ็บควรจะเคลื่อนย้ายไปก่อนโดยมีคนดีอีกคนหนึ่ง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 ที่ใช้บุญคำล่วงหน้าไปฝั่งน้นเป็นคนแรกแต่มองไม่เห็นความจำเป็นที่คุณหญิงจะต้องติดอยู่บนฝั่งนี้พร้อมกับผมในขณะที่พวกเราห้าคนกำลังทยอยข้ามไปคุณหญิงควรจะเป็นคนหนึ่งคนใดในจำนวนกลางแถวที่ทยอยข้ามไปนั่นจอมพรานแย้งขึ้นเสียงเครียดก็ได้รับคำตอบที่กล้ากระด้างพอกันว่าจำเป็นสิจาเป็นมากซะด้วยชีวิตหกคนที่กาลังไต่ไปบนสะพาน จะฝากไว้กับปืนเพียงกระบอกเบีย่์ไม่ได้ก็ทั้งนั้นทำไมไม่เป็นแง่ทายหรือขยินละ่ะก็ไม่เห็นเหะว่าสองคนนมันเจ็บขนาดไหนหลอนหันมาตาวาดเข้าใส่แววตากร้าวเฉียบดุดันน่ากลัวพิษมากกว่าทุกครั้งที่เขาเคยเห็นให้ฉันอยู่กระรพินเองดีกว่าเธอข้ามไปเป็นชุดแรกชายันสอดขึ้นมาอย่างเคร่งครึมแต่ราชสกุลสาวผู้มีเลือดนักผจญภัยอันเข้มข้น สั่นหน้าอย่างเด็ดขาดแต่เธอเป็นคนเจ็บนชายันถึงยังไงเธอขยินหรือแงสายก็ทำหน้าที่นี้ไม่ได้ดีไปกว่าฉันหรอกโปรดพิจารณาถึงเหตุผลข้อเท็จจริงและตัดความคิดอย่างอื่นออกไปซะเถอะคนเจ็บทุกคนควรจะรีบถอยตัวออกจากเขตอันตรายเข้าหาที่ปลอดภยดัยโดยเร็วที่สุดขอยรู้ไว้ด้วยว่า น, นี่เป็นคาสั่งของหมอดารินอย่ามาโตเถียงกันให้เสียเวลาอยู่เลย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 เชี่ยวาเข้าใจถึงใจน้องสาวและเขาก็ตัดสินใจได้เฉียบขาดเหมือนกันในวาระสำคัญเช่นนี้ระพิน์ไม่กล่าวอะไรอีกแม้แต่คำเดียวส่งไรเฟิลจุด30ทับศไปให้ขยินและเอาลูกซองบรรจุห้านัดแบบปั๊มแอคชั่นมาไว้เพื่อการทำศึกขั้นตะลุมบอลครั้งสุดท้ายพร้อมกับกระสุนที่ขยินมีติดย่ามอยู่ทั้งหมด ส่วนเชียฐาก็โยนกระสุนเอส g กล่องสุดท้ายที่เหลืออยู่ไปให้น้องสาวพร้อมทั้งเข็มขัดดารินรับมาขัดเอไว้ทีกระสุนจากกล่องบรรจุอัดเข้าตัวปืนจนเต็มที่เหลือใส่ไว้ในซองเข็มขัดโยนจุด300เวเธอร์บีแมกนัมประจำมือฝากให้บุญคำเอาติดล่วงหน้าไปด้วยเพื่อไม่ให้เกะกัเป็นอันว่าทั้งสองตกลงใจที่จะใช้ปืนลูกซองเป็นอาวุธต่อสู้เบ็ดเสร็จกับพวกสังขียว อย่างตำแหน่งที่มั่นแหล่งสุดท้ายนี้เพื่อสกัดกั้นการรุกประชิดเข้ามาของพวกมันในระหว่างที่ห้าคนไต่ข้ามสะพานไปหรือว่าโผล่ออกมาใช้ธนูยิงคนเหล่านั้นขณะที่ไม่สามารถจะหลีกหลบป้องกันตนเองได้ได้ยินเสียงปืนจากฝั่งโน้นเมื่อไรถอนตัวจากที่มั่นข้ามสะพานไปได้นะเชี่ยถ้าให้กำหนดนับแนะ่ระพินยกมือขึ้นแตะปีกหมวกแล้วส่งให้แทนคําตอบรับ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 กระซิบอ่อนโยนปลุกปลอบว่าที่รักเธอกำลังไม่สบายมากนะรีบข้ามฟากไปซะก่อนเถอะไม่ต้องห่วงฉันเดี๋ยวรอยค่อยพบกันฝั่งโ น, น้นแต่ฉันเป็นต้นเหตุให้ทุกคนต้องลาบากให้ฉันได้อยู่ท้วยเธออีกสักคนเถอะขอให้ฉันได้ทำงานเสียสละเพื่อพวกเราทุกคนบ้างมาเรียพึมพำออกมาในตาแห้งผากดารินสายหน้ายิ้มละไม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 หลอนพยักหน้ากับชั ย, ยันให้เหนียวตัวมาเรียไปบุญคำเริ่มต้นไต่สะพานนำขบวนไปก่อนเป็นคนแรกตามแผนของดารินแต่ค่อยๆก้าวไปตามลูกแพ้ไม้ไผ่ที่มัดไว้ด้วยเส้นไว้ลักษณะเป็นลูกระนาบนั้นมันเริ่มไวหวยวบยาบแกว่งไกวยโยนตัวทันทีราวกับชิงชาและมีเสียงปืนลัดปื๊ดขึ้นครั้งหนึ่งจาก เชือกสายใหญ่ที่ใช้โยงแทนสลิงซึ่งมีรอยพยายามตัดไว้บัดนี้กรอนขาดเข้าไปกว่าครึ่งต่พรานเท่าแห่งเขาอึมครึมหยุดนิดนึงเหมือนจะบริกรรมอะไรอยู่อึดใจก็พยายามไต่ต่อไปไม่เป็นไรแล้วตามบุญคำมาเถอะเว้นระยะห่างกันสักคนละห้าเก้าเสียงแกร้องบอกมาแผ่วเบา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 พวกที่ยืนคอยคิวอยู่เบื้องหลังจ้องมองดูภาพของคนทั้งสองที่ค่อยๆไต่ไกลออกไปได้ลมหายใจไม่ทั่วท้องแล้วในที่สุดแง่าสายซึ่งเป็นคนสุดท้ายของชุดที่จะล่วงหน้าข้ามไปก่อนก็ไต่ตามลงไปเป็นคนหลังสุดและเห็นหลังของแต่ละคนที่เข้าแถวเว้นช่วงห่างกันประมาณสองวานั้นค่อยๆห่างออกไปเป็นลาดับ ในความขมุก ข, ขมัวมนของแสงสนธยาการซึ่งเหลือทิ้งไว้ยังขอบเขาด้านบนอย่างเจือจางเต็มที่ราชสกุลสาวและพรานนำทางซึ่งบัด น, นี้รับหน้าที่ยึดที่มั่นคอยประทะหน้านวงเหนี่ยวไว้เข้าประจำซอกโคดหินคนละด้านจ้องปืนพร้อมต่งเหลียวมองตามหลังของคนเหล่านั้นไปด้วยความห่วงใยและด้วยหัวใจที่เป็นไม่เป็นจังหวะ นึกภาวนาขอยพวกนั้นข้ามไปถึงฝากโนนเสดยเร็วก่อนที่สายโยงสะพานอันเหลืออยู่ยังมินเมนั้นจะถึงวาระสุดท้ายลงลมในตรูกเหวก็ดูเหมือนจะทะวีความรุนแรงขึ้นทุกข์ข น, นักสีเชือกไว้ที่มัดติดอยู่กับแง่หินไว้ตัวเสียดสีกันดังเอียดอาจน่าใจหายตัวสะพานทอดข้ามเวหาดินสะบัดเหมือนงูเลื้อยโยนอยู่ไปมา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 ซึ่งบัตนี้กระดิกไกรัวราวกักคาใบาเสียงของลูกซองทั้งสองกระบอกดังประสานกันสนานวันไหวพุ่งไม้ใบบังในละแวกนั้นขาดกระจุยเป็นฝอยปลิววอดเงาตะคุ่มที่เห็นเคลื่อนไหวอยู่วูบวาบเหล่านั้นเพนตัวลอยพังงะเกรงล้มควม่ําล้มหงายระเนระนาดไปหมดทำกลางเสียงร้องแทะระงมสังขิวตนหนึ่งขึ้นไปยืนโกงธนูอยู่บนโขดหิน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 ถ้าฉันมีนิสัยชอบปลีกเอาตัวรอดตามลําพังแล้วก็เห็นจะไม่ต้องมาร้อยคุณขอร้องอยู่หรอกคงหนีข้ามไปกับพวกที่บาดเจ็บนั่นเสตแรกแล้วแล้วหางตาคู่นั้นก็ช้ำเลืองมาที่ใบหน้าเขาอีกครั้งน่าเสียดายมากนะที่เมสบักสบอมบาดเจ็บจนตัวเองแทบขอบสังขารไม่ไหวถ้าเขายังแข็งแรงเรียบร้อยดีเหมือนเดิมแล้วก็ฉันจะให้งใเขาทําหน้าที่รับหน้าไอ้พวกนั้นเข้าคู่อยู่กับคุณทั้งนี้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 แม้กระทั่งในวินาทีคับขันขิดสุดเชียวเหรอครับพร้อมกับพูดระพินเลงไปยังเป้าหมายรับรับล่อๆที่เห็นอยู่ในกิ่งไม้แล้วลั่นไกลตูมไม่ทันจะขาดเสียงร่างของสางเขียวต้นหนึ่งที่ซุ่มอยู่เบื้องหลังดิ้นพรวดพราทุรนทุร้ายออกมาแล้วก็ฟุบแน่นิ่งคาที่